การบริกรรมภาวนาขอให้เยอะให้หนักแน่นการภาวนาอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่ยิ้นมะเปียงเราได้อ่านในหนังสือเรืว่าสติมากไม่เสียหายเนีหลวงปู่เน้นเลยวท่านเราอ่านดูเออซึ่งที่หลวงปู่พูดเป็นคติเตือนใจของพวกเราสติมากไม่เสียหายศรัทธามากไม่เสียหายถ้าไม่สัมพยุตด้วยปัญญาถ้าปัญญามาก ถ้าไม่สัมปยุตโดยสติก็เสียหายมันจะฟุ้งเกินไปอันนี้ท่านอธิบายให้ฟัง อ, อความเพียรมากเพียรไปในทางไหนถ้าพาเพียรไปในทางชีวิต ก, ก็เสียหายแต่สติมากเลยท่านว่าดีที่สุดอันนี้ก็หลักของการปฏิบัติก็เนี่ยเรื่องสติเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งสําหรับนักปฏิบัติของเราถ้าว่าขาดสติแล้วประว่าขาดหมดทุกสิ่งทุกอย่าง คนเราถ้าขาดสติแล้วก็เป็นบ้าไม่ใช่เหรอถ้าเวลาเรานั่งภาวนาถ้าขาดสติไปช่วงหนึ่งก็แปลว่าจิตของเราหลุดลอยออกไปไม่ใช่เหรอแต่เมื่อมีสติอยู่ตลอดเวลาก็แสดงว่าจิตของเราอยู่กับตัวเองตลอดเวลานั่นละดีที่สุดเนี่แหละวฉนนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะเรื่องสติเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งสาหรับภาคปฏิบัติจะกาหนดกรรมฐ า, านไหน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านก็กำหนดภาวนาพุทโธดีละเป็นหลักให้ยึดพุทโธเป็นหลักเนี่ยที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนกำบอกพุทโธพร้อมกับลมหายใจเข้าหายใจออกท่านว่งางนั้นนะเนี่คือคนเรามันจรลิดมีหลายอย่างราคาจรลิดโทศาสตรจะิดโมหะจะลิอพุทธจะจรลิตวิตตปกจะลิตท่านบอกว่า ทุกเจริญเนี่ยโดยมากจะถูกกับลมหายใจเข้าออกเป็นหลักถูกกับทุกกรรมฐานอย่างผู้ที่มีอารมณ์โมโหฉุนเฉียวในจิตใจท่านบอกว่าให้ภาวนาเมตตาตนจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขนึกในใจนึกในใจตนจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขเราต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นก็ต้องการความสุขอย่างที่เราต้องการคือให้ภาวนาอยู่อย่างนี้ สำหรับพวกโทสะพวกราคาก็ให้ภาวนามลณะนุสติระลึกถึงความตายอยู่เสมอถ้าคนระลึกถึงความตายแล้วไม่รู้จะลุ่มหลงไปถึงไหนราะงั้นออมันจะต้องซ้ำเนียกซ้ำนึกได้อัเนี้วิตกกัจริดก็ระลึกถึงนี่แหละลมหายใจเข้าออกหนึ่งเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านต่างอกตั้งใจภาวนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระใหม่มาบวชในพรรษานี้ก็อยากจะเตือนพวกเราเจตนาอย่างไรก่อนที่เรามาบวชเราเพื่อมาศึกษามาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลบวชเข้ามาเพื่อทดแทนบิดามารดาผู้มีพระคุณสำหรับเรารด้านการบวชเข้ามาทั้งทีก็ควรจะทำตนให้ดีอย่าให้ขาดตกบกพร่อง ให้รักษาเจตนาเดิมเอาไว้ไม่ใช่ว่าบวชเข้ามาแลว้วก็ทำเละ เ, ละเทะไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนทำตามอัธยาใจทำตามอำเภอใจไม่ฟังครูบาอาจารย์ถ้าบวชเข้ามาอย่างนั้นไม่บวชชะดีกว่าถ้าบวชแล้วต้องเป็นผู้มุ่งมั่นต้องเป็นผู้ตั้งใจต้องเชื่อในครูบาอาจารย์จากนั้นก็ลงมือประพฤติปฏิบัติบวชเข้ามาแล้วไม่ใช่จะดีทีเดียวได้ ไม่ใช่บวชเข้ามาแล้วจะได้บุญทีเดียวไม่ใช่บวชเข้ามาแล้วต้องฝึกหัดดัดนิสัยขัดเกลอกิเลสภายในจิตในใจของเรารักษาศีลให้บริสุทธิ์รักษากายวาจาให้เรียบร้อยจากนั้นก็นั่งสมาธิภาวนาจากนั้นอุศส่วนกุศลถึงผู้มีพระคุณสำหรับเราคือพ่อแม่ผู้มีพระคุณสาหรับเราเป็นอย่างยิ่งให้เรานึกดูก็แล้วกัน ในร่างกายของเราเนี่ยมีพ่อกับแม่อยู่คนละส่วนกันเน้ะคนละครึ่งกันเลยวังนั้นเถอะในร่างกายของเราศีรษะของเราจนถึงฝ่าเท้าเนี่ยคือพ่อแม่อยู่กับเราเพราะฉะนั้นเราไปสถานที่ใดพ่อกับแม่ก็อยู่กับเราอยู่ตลอดเพียงแต่ใจของเราทองเท่านั้นร่างกายทั้งร่างนี้มาจากไหนมาจากพ่อจากแม่เป็นผู้ให้กําเนิดมาเป็นผู้เลี้ยงดูเรามาอเพราะนั้น เราทำคุณงามความดีรักษาศีลภาวนาประกอบการนั่งสมาธิภาวนาเราก็เอาร่างกายต้นทุนที่พ่อแม่ให้มานี่แหละนำมาประพฤติปฏิบัติจากนั้นเราก็อุทิศสวนกุศลให้ท่านแต่ถ้าว่าเราเอาร่างกายได้มาจากพ่อจากแม่เอามาทำ สิ่งที่มันไม่ดีไม่เหมาะไม่สมไม่ควรก็ทำให้ท่านเสียไปด้วยเหมือนกันอย่างน้อยท่านก็เสียใจนะถ้ามันทางมีชีวิตอยู่ท้าวว่าท่านเป็นเทวบุตรเทวดาอินพรหมท่านรับรู้ได้ต้องก็เสียใจว่าลูกของท่านทำไม่เหมาะไม่สมไม่ควรที่ร่างกายที่ท่านให้มาแล้วทำไปในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอให้พวกเราทุกๆท่าน ถึงจะเป็นพระใหม่พระเก่าก็ตามอย่างผมก็เหมือนกันผมก็ได้สำเหนียกสำนึกไว้อยู่เสมอตลอดถึงพี่น้องประชาชนญาติโยมทุกทุกท่านนั่นแหละที่ได้ทุนจากพ่อจากแม่มาแล้วเราก็ควรจะสร้างคุณงามความดีขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อเราได้ทรัพสมบัติพอจะเจือจุนเกื้อกูลหนุนท่านด้วยปัจจัยสี่เราก็หาปัจจัยสี่ไป บูชาพระคุณของท่านแปลว่าเอาหนี้สินส่งคืนท่านเอาดอกเบี้ยส่งคืนท่านเพราะเราได้ตนทุนจากท่านมาแล้วสรุปแล้วก็คือคือว่าลูกก็คือลูกหนี้นั่ น, นะถ้าพูดให้หมดสัทนนะพวกเราเป็นลูกหนี้ของพ่อของแม่แต่บางคนเป็นลูกหนี้แล้ว ยังทวงนี้บางคนฆ่าพอ่อฆ่าแม่ฆ่าเจ้านี่เอี่ก็มีต่างเยอะแยะแต่ว่าไม่สำเหนียสัมนึกเอไม่ได้คิดออให้รอบคอบแต่ตามไม่เจ้าท่านให้ก่อนคุณมาแล้วเราก็ควรจะทำคุณประโยชน์ให้งอกเงยเอทั้งสมบัติภายนอกทั้งสมบัติภายในสมบัติภายนอกก็คือข้าวน้ําปัจจัยสี่ส่วนภายในก็คือ ศีล ส, สมาธิปัญญาหาหนทางที่จะพ้นทุกในวัฏฏสงสารนะต่างว่าเราประพฤติธปฏิบัติได้ใครก็ตามนะถ้าหาว่าประพฤติธปฏิบัติได้จนถึงเป็นพระอริยะบุคคลคือพระโสดาบันผู้นั้นไปว่าทดแทนพระคุณของท่านของพ่อของแม่ได้มากแต่หาว่าบุคคลใดได้สำเร็จเป็นพระอระหันต์ไปว่า ทดแทนพระคุณของท่านได้บริสุทธิ์บริบูรณ์เต็มที่ถ้านอกจากนั้นถ้าว่ายังไม่ได้มักได้ผลถึงจะแนะนำสั่งสอนพ่อแม่ให้เข้าน้ำปัดใจพ่อแม่ท่านอุปมาอุปไมยว่าพ่อกับแม่นั่งอยู่คนละบ่าพ่ออยู่บ่าขวาแม่อยู่บ่าซ้ายไม่ให้พ่อกับแม่เหยียบแผ่นดินเลยมีแต่ให้พ่อแม่ขี่จะบนบ่า ท่านอุปมานะให้อาหารจืดอาหารให้กินเอถึงขนาดนั้นยังยังทดแทนพระคุณของท่านไม่ได้ไม่พอเอพระคุณของท่านมากถึงขนาดนั้นนะพ่อแม่เพราะว่าร่างกายของเราทุกส่วนคือท่านให้มาให้แก่พวกเรามาเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านที่ได้บวชมาในพุทธศาสนาก็ขอให้บารึกถึงพระคุณของท่านคือบิดามารดาผู้ที่ให้ พระคุณสำหรับพวกเรามาอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเวลาเราพวกเราไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนา เ, เมื่อจบลงแล้วก็อุทิศส่วนกุศลถึงปิดามานดาครูอุปชาอาจารย์ตลอดท่านผู้มีพระคุณสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายทุกครั้งในขณะที่เรานั่ง อ, ออกจากสมาธิหรือไหว้พระทุกวันตอนเย็นหรือตอนเช้า ระ ล, ลึกถึงอย่างนั้นเสมอนั่นแหละจะเป็นผู้จิตใจอ่อนน้อมอเมื่อจิตใจอ่อนน้อมถอมตนเข้าไปในสถานที่ใดอธรรมะเข้าสู่จิตใจแล้วมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขจิตใจเยือกเย็นไปที่ไหนๆก็ระ ล, ลึกถึงบุญคุณผู้มีพระคุณสำหรับเราเห็นบุญคุณไปหมดเอแต่ถ้าหาว่าพวกเราระ ล, ลึก ไม่ได้นะแข็งกระด้างนะเนรคุณไปหมดผลที่สุดไม่เห็นคุณค่าตัวเองก็มองไม่เห็นตัวเองถึงเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดหาความสงบสุขไม่ได้เี่เพราะฉะนั้นพวกเราเป็นพุทธมาม ก, กะพุทธบริษัทลูกศิษย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าข อ, ขอให้ตั้งอกตั้งใจภาวนานั่นนะ่ะตั้งอกตั้งใจสร้างคุณงามความดีตาม ที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนในเทพในหนังสือจากนั้นพวกเราก็ค้นคว้าในพัดไตรปิฎกมีทุกวัดวัดละหลายชุดสมัยก่อนไม่มีเลยอย่างหลวงปู่มั่นของเราท่านมาเที่ยวคู่ดงในป่าเขาลำเนาไพรจากนั้นก็ท่านศึกษาธรรมะปฏิบัติตามที่ได้ยินได้ฟังจากนั้นก็เอาตัวของท่านเองเป็นหลักยึดศึกษาธรรมะเป็นแนวแถว แต่ทนท่านก็อยากจะเปรียบเทียบกับฝ่ายปริยัติดูว่าเป็นยังไงที่ท่านลงไปจำพรรษาที่วัดสักปทุมกรุงเทพนั่นก็คือไปศึกษาเรื่องพระไตรปิฎกนี่แหล ะ, ะคือไปอ่านพระไตรปิฎกไปอ่านศึกษาแล้วก็ยังไม่มั่นใจท่านก็ไปถามอีกเป็นเพื่อนเป็นสหายของท่านก็คือเจ้าคุณอุบาลีคุณุปามาจาร์ท่านก็ไปศึกษาสอบถามซักไซ่ไรเรียง แนวความคิดของท่านเนี่ยมันแปลกแตกต่างจากหลักพระไตรปิฎกไหมหลักพระธรรมวินัยไหมเนี่ยครูบาอาจารย์สมัยเก่าท่านลงไปอย่างนั้นศึกษาอย่างนั้นนํามาประพฤติปฏิบัติแต่พวกเราท่านทั้งหลายทุกวันนี้แนวความคิดของพระแม่ครูบาอาจารย์ทางเทพทัางหนังสือท่านให้ทั้งหมดตลอดถึงพระไตรปิฎกพวกเราจะศึกษา อย่างไรพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมได้ทั้งนั้นออแต่ในพระไตรปิฎกนั้นท่านเป็นพูดเป็นส่วนรวมแต่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นธรรมะหรือว่าธรรมะลิขิตของท่านหรือประวัติของท่านพวกเราจะนํามาอ่านมาศึกษาแล้วก็นํามาใช้กับพวกเราได้ท่านย่อยออกมาออย่อยออกมาให้พวกเราได้เห็นภาพพจน์ ในการเดินหรือในการประพฤติปฏิบัติของพวกเราอแล้วก็นํามาเหมือนกับท่านเห็นลูกเล็กเด็กแดงนั่นแหละลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยอเราจะเอาอาหารประเภทไหนให้กินอถ้าโตขึ้นมาแล้วจะเอาอาหารประเภทไหนให้กินอถ้าเป็นหนุ่มขึ้นมาแล้วควรจะกินอาหารประเภทไหนสิ่งเหล่านี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้ผ่านมาท่านก็นํา ธรรมะที่ท่านได้ศึกษามาแต่เบื้องต้นนั่นแหะทํายังไงเรื่องอภาวนาเบื้องต้นทํำยังไงอท่านก็แนะนําเรื่องสมาธินี่แหละเอเรื่องสมาธิวิธีการทําสมาธิทํำยังไงนั่งสมาธิยังไงท่านก็นี่แหละอริยบทสี่ยืนเดินนั่งนอนแต่โดยมากท่านจะให้เดินอกับนั่งส่วนยืนโดยมากไม่ทนนานนะ พอยืนเข้าไปแล้วโงนเงียนเงินนี่เหมือนจะล้มนะท่านนอนเมกืกอกลับลักหลับเร็วว่างั้นจะมีแต่นั่งแต่นั่งถ้าไม่จําเป็นก็จะไปพิงเสาพิงฝาพิงลูกกลงอะไรพยายามนั่งอยู่ตรงตรงถ้าคนที่ชอบหลับนะนั่งจะนั่งก็เดินเดินน่งดีคนที่เดินโยงกลมนานา น, นี่พอนั่งเดินโยงกลมเสร็จแล้วมานั่งเวลาเดินโยงกลมตอนหัวค่ำก็เดิน ขาขวาพุทขาซ้ายโถพุทโถพุดธโไม่ต้องเดินช้านะถ้าเดินช้ามันเวียนวิ่งเวียนเวลาเดินยยกรมหลวงปู่ล้านนะท่านบอกบอกว่าหลวงปู่มันบอกเวลาเดินโยกรมอย่าเอามือกดอกถ้ามือกดอกเหมือนเหมือนเจ้าทุกมีใจทุกกระทมท่านั้นนะเอามือกดอกมันลักษณะหน้าเศร้าไม่ใช่เรื่องของสมณะอย่าเอามือไ่ว้หลังเหมือนกับนักเลง่ ท่านว่านะอย่าไกวแขนเนี่ยสมณะต้องท่าลําพึงใครๆเอามือมาวางในระหว่างท้องออมือประสานกันอันนี้ลักษณะทา่าลําพึงท่าน่าท่าคิดท่าคิดท่าลําพึงอันนี้คือวิธีการเดินโยกกลมจากนั้นก็าขาขวาพุทซ้ายโถไม่ต้องเดินช้านะอไม่ต้องยกน้อก้าวน้อยอย่างที่เขาเดินอ่ะอันนั้นเป็นอีกแบบหนึ่งของเราเนี่ยไม่เราครูบาอาจารย์ท่านบอกว่า ใจคลองลอนมันวิ่งเร็วยิ่งกว่าลูกกระสุนอีกอลูกกระสุนปืนอีกเอเราจะไปเดินช้า ย, ยัางไงเอาเดินเร็วๆเลยเบียงแต่ว่าให้มีสติกับการเดินท่านเองกำกับกับจิตพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธขาขวาพุทธขาซ้ายโธพุทธโธพุทธโธยมีสติเอพยายามเดินให้มากเดินเป็นชั่วโมงๆเหมือนกันเถอะพอโดอนเดินเสร็จแล้วเอ เราขึ้นมาเราขึ้นมาเข้านั่งสมาธิเออเข้าไปจำที่นั่งขัดสมาธิจิตจะเข้าสู่ความสงบได้ง่ายเพราะขณะที่เดินงโงก ม, มันมันไม่สงบเถ้าว่าใครสงบในเวลาเดินงโงกมได้จิตคนนั้นจะสงบแบบแน่นิ่งลึกซึ้งมากในความสงบมือนนเถอะเออถ้าว่าจิตสงบในขณะที่เดินยโยกมมันสงบยังไงเวลาเดินยโยกม เวลาเดินก้มพูดโผพุดโธลเวลาจิตสงบมันปับ๊บขามันชิดปับ๊บข้อหากันเลยเด๊อขาขวาซ้ายเนี่ยยึดยืนตั๊กเลยเดย้นิ่งเลยมันจะเข้าสู่ความสงบนิ่งเอจากนั้นก็ออกถอนออกมาออกมาก็เราก็รู้ได้โอ้จิตสงบเอทีนี้แต่จะทําอย่างนั้นได้ไม่ใช่ได้ทุกครั้งออนจะมีทีหนึ่งเอแต่เราก็ไม่ต้องหวังว่าได้นานสงบหรือไม่สงบก็าตาม เราไม่ต้องคิดแต่จากนั้นก็เมื่อเดินยจงกลมเสร็จแล้วสมมติว่าเราเดินขณะที่เดินมันจิตมันคิดมันปุงฟงุ้งซ่านมาคิดนน้นคิดนี้คิดนี้คิดนั้นเราก็กําหนดให้เป็นกระดูกขณะที่เดินยจงกลมให้เป็นโครงกระดูกเดินเดินไปก็เหมือนโครงกระดูกไม่ให้มีเนื้อมีหนังทํารั้นเถอะไม่มีอย่างอื่นไม่มีตับไตไส้และกระเพาะไม่มีให้มีแต่โครงกระดูกเดิน เ, เดินไปขาวโพเลไปงั้นช่วงจ้างช่วงจ้า ง, งพราะว่กระดูกเดินเนี่ยตามไม่จริงกระดูกเดินจริงๆริงถ้าหากว่าไม่ไม่มีเนื้อมีหนังเน้นทะีน่มันมีเนื้อมีหนังมันก็เลยอมันพาเนื้อผนหนังเดินไปด้วยเหมือนกันแะแต่ถ้าหาว่าไม่มีอันไหนหุ่มนะไม่กระดูกเดินจริงๆอิงอันนี้อันนี้ก็คือให้มีสติให้เห็นกระดูกเดินกลับไปกลับมาพุโทโธพุโทโธขาขวาพุทกขาซ้ายโธพุทโธพุทโธ อันนี้ถ้าเมื่อเราขึ้นมานั่งทามันจิตใจมันยังมกแบกอ่มันยังฟุ้งซ่านพอนั่งป๊บขึ้นมาเรากาหนดดูร่างกายของเราเลยนั่งคัดสมาเสร็จเรียบร้อยกาหนดให้เป็นกระดูกอให้เป็นศีรษะของเราเนี่ยเป็นยังไงให้มีเห็นแต่กระดูกไม่ให้เห็นเนื้อเห็นหนังเห็นกระดูกตัวเองพอเห็นกระดูกศีรษะมันเป็นยังไงมันเป็นหยักๆตาโอ จมูกของเราเป็นไงจากนั้นฟันของเราเป็นไงขากรรไกรของเราเป็นยังไง อ, อ, อยู่ในสภาพไหนถ้าเมื่อวเราไปเห็นกระดูกที่ไหนแล้วก็นำดูให้ดีจากนั้นพอนั่งภาวนาเราก็มาเปรียบเทียบ ก, กับของเราเลยทีนี้ดูขากรรไกรดูมาถึงคอดูมาถึงไหล่มาถึงแขนมาถึงไล่ลงไปเรืยจะไปตามเร็วนะ่าไปดูเร็วดูช้าๆกาหนดดูช้าๆดูลงไปถึงแขน ข้อแขนถึงข้อศอกถึงแขนช่วงล่างมันมีสองซี่จากนั้นก็ถึงข้อมือจากนั้นก็เป็นนิ้วมือเป็นชีช้นิ้วมือเป็นชี้ก็เป็นข้อค อ, อเป็นแหลมแหลมปลายของมันนะจากนั้นก็ ก, กำหนดกลับขึ้นมาอีกมาดูทางขวาและดูทางซ้ายกำหนดดูดีๆช้าๆจากนั้นก็เห็นนิ้วมือทุกนิ้วจากนั้นก็ลงมากาหนดดู กระดูกชี้โคง้งกระดูกสันหลังมันจดกันยังไงมันมาอย่างไงจากนั้นก็ลงไปถึงจระโปงจากนั้นก็ลงไปถึงขาถึงหัวเขา่าถึงแข้งมีสองชี้ลงถึงฝ่าเท้าจากนั้นก็เป็นเป็นชี้ๆเป็นนิ้วๆให้เห็นแต่กระดูกไม่ต้องให้เห็นอย่างจากนั้นก็ย้อนกลับขึ้นมาอีกไม่ต้องว่ากี่ครั้งนะ สี่ห้าหกครั้งสิบยี่สิบสาสิี่ิบครั้งก็ไม่ว่ากำหนดดูแต่ในขณะที่เรากำหนดดูนั้นในความรู้สึกของเราเห็นกระดูกท่อนไหนอกระดูกท่อนไหนที่เห็นชัดในความรู้สึกในขณะนั้นเราก็เอาจิตจับดูกระดูกท่อนนั้นเลย เ, เพ่งหรือกำหนดไม่ให้จิตไปที่อื่นนี่แหละจิตของเราที่มันบล็อกแววกยุ่งเหยิงวุ่นวายนะอมันจะเข้าสู่ความสงบ ได้ทันที น, นั่นเอ ข, ขอฝากไว้กับหมู่พวกเพื่อนที่บวชใหม่และก็ญาติโยมทุกๆท่านด้วยแต่ครูบาอาจารย์ที่บวชเก่าทั้งกะคงได้ศึกษาได้ดินได้ฟังมาแล้วน ะ, ะพวกที่นั่นก็ให้กำหนด ด, ดูให้พิรณานดูอย่างที่ผมพูดเนี่ยคิดว่าไม่ผิดกันแล้วกันว่างั้นเถ อ, อ ะ, อะจิตใจก็เข้าสู่ความสงบได้ อพอเมื่อนั่งภาวนาจิตใจมันเอาไม่อยู่เพราะงั้นแต่พอนั่งไปมันคิดนู้นคิดนี้ปุงปุงนู้นปรุงนี้ไปให้มันอยู่ในกระดูกไม่ให้มันหนีให้กําหนดอยู่ในกระดูกออย่างเนี้อันนี้เราว่าการภาวนาเออันนี้เราอ่ะ ว, ว, วิปัสสนาก็ใช่นะการทําจิตให้สงบคือแบบบริกรรมพุทโธนะอันนั้นว่าสมถะทําจิตให้สงบอ ส, ส่วนวิปัสสนา แล้วกับพี่นานะกระดูกของเราในเมื่อพี่นาถึงกระดูกของเราแล้วทออีถ้าจะพี่นาให้ยึดหรือว่าให้เลือกลงไปกว่านั้นอีก่ เ, ออเราเห็นกระดูกของเราแล้วทีเราก็ถามตัวผู้รู้ของเรานะ่ะนึกถามนะเพราว่านี่ร่างกายของเราเนะี่ยมันเป็นกระดูกใช่ไหมเราไปให้ความสำคัญเขาใช่ไหมว่าร่างกายนี้เสร็จสวยงดงามว่าร่างกายนี้เป็นของกีรังมั่นองถาวร จะอยู่ร้อยปีพันปีเราคิดอย่างนั้นใช่ไหมทำไมเราจึงคิดอย่างนั้นเราให้ความสาคัญร่างกายมากจนเกินไปใช่ไหมเจนี่ก็ย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจทุกสิ่งทุกอย่างใจไปให้ความสาคัญในร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจทั้งหมดนั่นแหละเจนี่กิเลสทั้งหลายออกมาจากใจเล ย, เยแต่มันใช้เครื่องมือคือกายกายเป็นเครื่องวันไหวกายเป็นเครื่องกระทำ แต่ใจจะเป็นต้นตอมันอยู่ที่นั่นหมดเนี mm ่ hmm. ใจเป็นใหญ่ใจเป็นนายเนี่กายเป็นเบาวกายนีเป็นเครื่องมือมันออกไปจากใจฉะนั้นใจต่อใจย้อนมาหากันกําหนดดูที่ใจเอมดูมันรักเพื่ออะไรโลภเพื่ออะไรโกรธเพื่ออะไรมันออกมาจากไหนนั่นแหละที่นี่แหละกิเลสออกมาจากไหนทำก็อยู่ที่นั่นทำ อยู่ที่ไหนกิเลสต้องอยู่ที่นั่นไม่อยู่ในที่เดียวกันนั่นแหละผลในสุดในเมื่อเราพิจารณาอาด้วยมหาสติด้วยมหาปัญญาด้วยสติอที่ว่าไม่มีบัตเรเผลอมนนั้งแต่อัตโนมัติแล้วเอใจของเราก็เข้าสู่จุดนั้นทําเข้าสู่จุดนั้นเอหล้วจากนั้นเราก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นทีแรกลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดลองผิดลองถูกไปก่อนนะว่างั้นเถอะ เออแต่มันก็จริงนะมันไม่ไปอย่างอื่นนะมันจริง อ, ะอ่ะเออเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆง อ, อ่ะเออจากนั้นก็ปล่อยวางผิดวางถูกพอในสุดมันถูกล็อกขอามันมาก็ปล่อยวางอ่ไม่มากก็ต่องน้อยแล้วงั้นแต่เราก็รู้เออนี่ถึงยังไงยังไงถึงจะไม่หลุดพ้นทีเดียวก็รู้สึกว่ามันถูกมันเหมือนกับโรอกถูกกับยาอย่างนั้นนะ จิตใจก็เบาสบายมีความสุขขึ้นม า, าเ่ยเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะขอให้นำทำที่ผมได้กล่าวมาเนี่ยผมก็ปฏิบัติอย่างเนี้ย่ที่นัน่นนำมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็บอกกล่าวมูพวกเพื่อนทุกๆท่านทุกๆคนทุกๆอยญาติโยมเนี่ย น, นะนำไปคิดนำไปพิจารณาไตรตรองดูน่ยถ้าว่าเห็นว่ามันถูกกับจริตนิสัยของพวกเราก็นาไปปรับปรุงแก้ไข อตัวเองออีกสักวันหนึ่งพวกเราก็จะประสบความสําเร็จเอไม่มากก็น้อยว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะอ่าไม่ถึงร้อยปีหรอกอย่างผมเดียวนี้ก็จ ะ, กะเกษียณปีหน้านี้และ้อผมก็ไม่คิดว่าผมจะอยู่ถึงเจ็ดสิบแปดสิบหน้าเดียวเนี่ยมันเป็นยังไงก็ไม่รู้ล่ะเอมันคิดอยู่ในใจอยู่เสมอว่าไม่รู้จะไปวันไหนมางานเถอะเพราะนั้น คนที่คิดถึงความตายอยู่เสมอนี่ไม่กระเสือกกระส น, ไ ม, นไม่วุ่นไม่วายนะมีทหารยังไงที่จะพลิกยังไงจึงจะจิตใจจึงจะหลุดพุทออกจากอาวัดตะบนวัดตจักทั้งหลาย เ, าเรื่องลาบเรื่องยศเรื่องสนันเสอร์เอาใครากเอาเอ า, เอาไปพระพุทธเจ้าท่านโบกมือมาขอแรงแล้วยอมแพ้แล้วโลกอันนี้พวกเราจะจะมาอาแย่งกันเรื่องลาบเรื่องยศอยู่เหรอเนี่ยอ สิ่งเหล่านี้มันบอกอยู่ในใจนะมันคิดอยู่ในใจเพราะไม่เห็นสาระอะไรเกิดมาแล้วก็เนี่ยมันมีแต่กระดูกโผล่ในสุดก็ไม่ถึงร้อยปีแต่คนนั้นก็บอกเ ก, อเก่งนีน้องเก่งนี่เก่งนี่เก่งเนี่ยผล่ในสุดเอีก็เผาไฟแล้วก็จบไปทุกลายทุกลายไปเนีมีแต่คุณงามความดีเท่า น, นั้นละ่ะเฮียท่านองค์ไหนถ้าท่านชําระกิเลสได้และหมดจดจากกิเลสได้แล้วคนนั่นละ่ะเลิศประเสริฐถ้าว่ายังกิเลสยังอยู่ในหัวใจอยู่แล้ว ถึงจะเก่งขนาดไหนก็เก่งเถอะดําพุทธดําแม่นอยู่ในวัฏสงสารในล้วงั้นเถ อ, อ, ะ, อะหาที่สิ้นสุดไม่ได้เพราะนั้นพวกเราทุกๆุกท่านน ะ, ะพยายามทํากิจให้หลุดพ้นอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนพวกเราวันนี้ก็ได้พวกเรามาหากันพระมาหากันญาติโยมผู้ปฏิพิติปฏิบัติทํามหากันถ้าไม่พูดธรรมะ ก็ไม่รู้จะพูดอะไรให้เป็นเครื่องสบายอกสบายใจหรือเป็นขึ้นขื่นเริงซึ่งกันและกันหรือพูดไปกระทาให้หมู่พวกเพื่อนยิ่งอัดจจริ่งแน่นก็ไม่รู้แล้วนะออขอจบเพียงเท่านี้หะนะทีนี้นะ